วาดข้อที่2วิธีแก้ไขความผิดพลาด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 ลูกจะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้เป็นการเสียชาติเกิดคำสั่งของท่านอาวินกุเทระนั่นช่างลึกลำ้ำตรงตามสภาวธรรมและเป็นความจริงทุกประการซึ่งลูกจะต้องนำมาครุ้นคิดวิเคราะห์วิจัยหาเหตุผลเพื่อให้ประจักษ์แจ้งแก่ใจของลูกเองและยึดถือนำมาปฏิบัติตาม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 ข้อที่สองวิธีแก้ไขความผิดพลาดนายกชุมชิว ก, กรคริสตกสา 476-770 เป็นระยะเวลาที่อำนาจของราชงวงศ์จิวกรครกาศตวรรษที่11 ก, คกรครกา771เป็นระยะเวลาที่อำนาจของราชวงศ์จิวเสื่อมถอยหัวเมืองใหญ่น้อย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 ส่วนที่ขาดเพิ่มเติมบันทึกความชั่วร้ายในยุคนั้นไวในหนังสือชุนชิวนี้อย่างละเอียดละออเพื่อไว้เตือนใจคนไม่ให้นำมาเป็นเยี่ยงอย่างคุณนางในสมัยนั้นช่างดูคนโดยสังเกตจากกิริยาวาจา<ค>ก็สามารถคาดคะเนอนาคตของคนคนนั้นได้สังคมคุณนางในสมัยนั้นจึงมัดนำบุคลิกของใครต่อใครมาเป็นหัวข้อในการสนทนาพร <อ S 2> จึงอยากให้ลูก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 ลูกจะต้องรู้จักวิธีแก้ไขความผิดพลาดของตนเองเสียก่อนข้อนหนึ่งลูกจะต้องมีความละอายต่อการทำชั่วไม่ว่าจะอยู่ตอนหน้าหรือรับหลังผู้คนลูกลองคิดดูสินักปราดแต่ครั้งโบราณมาท่านก็เป็นชายอกสามศอกเช่นลูกเนี่แต่ฉันไหนท่านเหล่านั้นจึงได้รับความเคารพผูชาเป็นปูชนียบุคคล แม้การลเวลาจักได้ผ่านไปแล้วเป็นร้อยชั่วคนก็ตามส่วนลูกนันเล่ายังคงเป็นกระเบื้องที่แตกอยู่เป็นเสี่ยงเสี่ยงในชีวิตยังไม่ได้สร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแกนเป็นสารให้ปรากฏเลยทั้งนี้ก็เพราะลูกมัวหลงละเลงอยู่กับความสุขทางโลกเหมนผักขาวที่ถูกสีต่างๆแปดเปื่อนใชแล้วยอมหมดความบริสุทธิ์ผุดผ่อง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 นักปรา่านเมื่อจือ่อจึงได้กล่าวไว้ว่าความละอายและความเกรงกลัวตบาบนั้นเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในโลกนี้ผู้ใดมีไว้ยอมได้ชื่อว่าเป็นปราชผู้ใดมิได้มีไว้ยอมเหมือนสัตว์เดรัจฉานลูกจึงต้องเริ่มต้นแก้ไขความผิดพลาดของตนเองด้วยกุศลธรรมข้อนี้ก่อนข้อสอง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 ไม่เบาทีเดียวหละถ้าลูกทำผิดเพียงนิดหน่อย ก, ก็จะทำให้ลูกได้รับความสุขที่กำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันลดน้อยลงทันทีลู ก, ลกจะไม่กลัวได้หรือไม่เพียงเท่านั้นแม้เราจะอยู่ในบ้านของเราเองใ น, ในที่เราโหฐานก็ตา ม, ตามก็หนีไม่พ้นสายตาของผีสางเทวดาไปได้ แม้ลูกจะปกปิดความผิดไว้ดีเพียงไรแต่จะปกปิดผีสางเทวดาหาได้ไหมเพราะแม้แต่ในตัวลูกมีใส้กี่ขดท่านเหล่านั้นก็มองเห็นทะลุโปร่ปรองอยู่แล้วหากวันใดบังเอิญมีคนแอ บ, บรู้เห็นเขา้าลูกก็จะกลายเป็นคนไร้ค่าไปทีเดียวอย่างนี้แล้วลูกยังจะไม่กลัวอีกหรือ เพียงเท่านั้นหากลูกยังมีลมหายใจอยู่แม่จะทำความผิดล้นฟ้าก็ยังมีโอกาสแก้ตัวได้ถ้าลูกสานึกในความผิดนั้นได้ทันท่วงทีกาลก่อนมีชายคนหนึ่งตลอดชีวิตของเขาชอบทำแต่กรรมชั่วครั้นพอใกล้จะตายได้สานึกผิดเพียงขณะจิตเดียวและจิตสุดท้ายที่รู้จักผิดชอบชั่วดี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 ฉะนั้นลูกจงจำไว้ว่าความผิดที่ลูกกระทำไว้นานแล้วหรือว่าเพิ่งกระทำขอให้รู้สนึกและแก้ไขเสียทันทีจึงจะเอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปสู่ทุกขติพภที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแต่ลูกจะต้องจำไว้ให้ดีว่าแม้ความผิดนั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ก็อย่านอนใจที่จะทำผิดบ่อย อย่าคิดว่าวันนี้เราทําผิดแค่นี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราจะแก้ไขไม่ทําอีกก็แล้วกันถ้าคิดเช่นนี้ก็ผิดจากวัตถุประสงค์ที่พ่อพร่อมสอนลูกมาอันความผิดที่เกิดจากรู้ว่าผิดแล้วยังจงใจทําเป็นมโนกรรมที่มีโทษหนักแม้ลูกตั้งใจจะแก้ไขในวันพรุ่งก็อาจจะสายไปเสียแล้ว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 สิ่งที่ติดตามลูกไปได้มีเพียงกรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นอันเป็นนามธรรมที่มนุษย์มองไม่เห็นจะสมัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นหากบุญยังมีเหลือพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ดีเป็นร้อยปีพันปีแม้จะมีลูกหลานที่ดีก็ไม่สามารถช่วยลูกได้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 ที่จะแก้ไขตนเองมีกำลังใจที่จะแก้ไขอย่างจริงจังไม่ทอ้อถอยมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทาบ้างหยุดบ้างความผิดเล็กๆน้อยๆนั้นเปรียบประดุดน้ำตําอยู่ในเนื้อถ้ารีบบ่งน้ำออกเสียก็จะหายเจ็บทันทีหากเป็นความผิดใหญ่หลวงก็เปรียบประดุดถูกงูพิษที่ร้ายแรงคบกัดเอาที่นิ้ว ถ้าลูกไม่กล้าตักนิ้วทิ้งพิษก็จะลุกลามไปถึงหัวใจและตายได้ง่ายๆลูกจึงต้องมีจิตใจที่เด็ดเดียวกล้ า, ผาเผชิญความจริงรู้ตัวว่าผิดตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นทันทีอย่ารีรอลังเลจะเสียการในภายหลังลูกจงศึกษาวิชาป้อยกลวยที่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของฟ้าความอ่อนโยนของดิน ความมีพลังของไฟความเยือกเย็นของน้ำความกึกก้องของเสียงฟ้าร้องความแรงกล้าของลมความมั่นคงของขุนเขาและความเป็นกระแสของสายธารแล้วลูกจะเข้าใจถึงธรรมชาติแต่ประการนี้ต่างก็เป็นปัจจัยให้กันและกันในยามที่พายุมาเสียงฟ้าร้องลมก็จะเป็นปัจจัย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 ความผิดนั้นก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงจนหมดไปในที่สุดเปรียบประดุจสายน้ำที่รวมตัวกลายเป็นน้ําแข็งในฤดูใบไม้ผลิเมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็ย่อมละลายกลายเป็นน้ําดังเดิมแต่ความผิดพลาดของมนุษย์นั้นไม่ง่ายดังว่าไปเสื้อทั้งหมดบางสิ่งต้องแก้ที่เหตุการณ์บางสิ่งต้องแก้ที่เหตุผล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 คือต้องรู้เหตุที่จะก่อให้เกิดความผิดได้เสียก่อนเช่นการฆ่าสัตว์ถ้าเราเข้าใจเสียก่อนว่าชีวิตใครใครก็รักฉนัยจึงฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตเราให้ยืนยาวล่าถ้ามีใครทากับเราบ้างอย่างนี้ลูกจะยอมหรืออันหนึ่งการฆ่าสัตว์นั้นทาให้เกิดความทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสนำสัตว์ต้มในกระทะร้อน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 ลูกก็จะกินเนื้อสัตว์เหล่านั้นไม่ลงคอเมื่อสมัยโบราณการในยุคหินใหม่เรามีผู้นำที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาการุณาและทรงปรีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าตี้ชุนก่อนสเสวยราชโดยรัสดรพร้อมใจกันเลือกท่านท่านเป็นชาวนาระวางที่ทํามมาอยู่นั้นจะมีช้างมาช่วยท่านไถนามีนก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 เ, เขาพลาดพลั้งไปก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นความงโง่เขลาเบาปัญญาน่าสงสารมากกว่าน่าให้อภัยมากกว่าถึงแม้เขาจะให้ร้ายเราก็เป็นเรื่องที่เราทําผิดเองเราไม่เดืร้อนนักก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาได้เลยลูกจะตตั้งคิดให้ได้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทําความผิด คนที่อวดดีอวดวิเศษนั่นหาใช่ป ร, รากที่แท้จริงไหมคนที่มีความรู้สมเป็นนักป ร, ราดถนนั่นท่านมักทอมตนคอยจับผิดตนเองไม่กลา้าโกรธเคืองผู้อื่นไม่จับผิดผู้อื่นคอยสำรวจตนเองว่าได้ล่วงเกินใครบ้างอย่างไรหรือเปล่ายามที่คนล่วงเกินตนก็จะถามตนเองซสก่อนว่าได้เคยล่วงเกินเขาไว้ก่อนหรือไม่ ยามที่มีคนไม่จริงใจต่อตนก็จะถามตนเองซะก่อนว่าได้เคยแสดงความไม่จริงใจต่อเขาก่อนหรือไม่เราโมาคิดเช่นนี้เราก็จะไม่ทันได้โกรธผู้อื่นยิ่งถามตนเองแล้วปรากฏว่าไม่เคยร่วมเกินไม่เคยไม่จริงใจต่อเขามาก่อนเราก็ยิ่งสบายใจรับเอาความผิดพลาดของผู้อื่นมาเป็นบทเรียนฝึกฝนตนเองต่อไป เราก็จะกลายเป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นเมื่อได้คิดเช่นนี้ใครทำไม่ดีกับเราเราก็รับบทเรียนไว้ได้วยความยินดีจิตใจไม่ขุนมัวจกมีความโกรธมาแต่ไหนถ้ามีคนดินทาว่าร้ายลูกลูกก็จะต้องคิดให้ได้ว่าเหมือนคนจุดกองไฟเผาฟ้าแม้กองไฟใจใหญ่มะคือมาเพียงใด แต่ฟ้ามันว่างเปล่าไม่มีเชื้อที่จะติดายได้กองไฟจะลุกโชนช่วงสักเพียงใดก็จะไหมและมอดไปข้างเดียวไหนที่สุดคนที่ว่าร้ายลูกเห็นลูกอยู่ในความสงบไม่โกรดตอบไม่ตอบโต้เขาก็จะหยุดไปเองเช่นกันเพราะการนินทาว่าร้ายนั้นเหมือนนำสีไปป้ายที่ผ้าขาว ผ่านนั้นย่มยากที่จะขาวได้ดังเดิมแม้ลูกจะมีเหตุผลดีอย่างไรก็ไม่สามารถจะโต้แย้งให้ขาวกระจางได้เปลียยประดุดตัวไหมในฤดูใบไม้ผลิหลงกินใบหม่อนกินไปดิ้นไปยิ่งรกระดูกกระดิกมากเท่าไร่ยายไหมก็ยิ่งผูกมัดตัวเองมากเท่านั้นความโกรธก็เช่นกันมีแต่โทษหามีคุณไม่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 และแก้ไขเมื่ อ, อยังไม่ได้ทำความผิดวิธีที่ดีที่สุดก็คือการแก้ไขที่ใจนั่นเองโบราณท่านว่าไว้กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดก็ล้วนเกิดที่ใจทั้งสิน้นถ้าเราห้ามใจมิให้เกิดกิเลสตัณหาได้ความผิดใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งสิน้นดุดดังดวงตะวันสาดแสงส่องมาคราใดความมืดก็หมดไปปีศา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 ด้วยสติสัมปชัญญะความผิดจึงเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือการยับยั้งช่างใจที่ต้องอบรมบ่มเพาะให้สติประคองใจเราไว้ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ลูกจะต้องใช้วิจรารณญาณให้ถูกต้องว่าคราใดที่ควรจะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะจะควรถ้าลูกนำวิธีมาใช้ไม่เหมาะไม่ควรก็จะไม่ทันการ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 จิตใจของลูกต้องเด็ดเดียวแน่วแน่ทั้งกลางวันกลางคืนทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกเพียงสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์อย่างช้าก็ไม่เกินสามเดือนย่อมปรากฏผลอย่างแน่นอนลูกจงค่อยสังเกตถึงจิตใจที่จะสงบขึ้นสติปัญญาแจมา่มใสสมองโปรง่งไม่ปวดศีรษะทำอะไรก็ดูจะง่ายขึ้นเร็วขึ้น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 เราสมัยนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนหยาบมีความผิดติดตัวกันมากมายราวกับตัวเหลือบที่เกาะเต็มไปหมดแต่เราก็ไม่เห็นไม่รู้สึกว่าอดีตนั้นเราได้ทำอะไรผิดพลาดมาบ้างนี่ก็เป็นเพราะความหยาบของจิตมีดวงตาก็หามีแววไม้นั่นเองลูกจงสังเกตคนที่บาปหนามักจะปรากฏ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 นักประราชอันเรื่องชื่อของจีนท่านจึงยกลูกสาวของท่านให้กับท่านพ่อของท่านขงจือ้อเพราะท่านได้พิจารณาอย่างทีทั่วนแล้วว่าชายที่จะมาเป็นบุตรเขยของท่านนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วยังต้องมีบรรพชนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาหลายชั่วอายุคนด้วยแล้วก็เป็นความจริงตระกูลนี้ได้ให้กำเนิดนักประราช ที่ชาวจีนทั้งประเทศต้องสักการะบูชาเป็นปูชนียบุคคลที่หายากในโลกผู้หนึ่งคือท่านขงจือไงละลูกต่อมาท่านขงจือได้สันเสริญท่านตีซุนที่พอได้กล่าวให้ลูกฟังไว้ทีหนึ่งแล้วว่าท่านตีซุนเป็นผู้ที่มีความกระตันยูอย่างยอดเยี่ยมหาใครเปรียบได้ยากบรรพชนของท่านตีซุนจะต้องยินดีปรีดา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 ตั้งหน้าตั้งตาช่วยชีวิตคนที่ลอยตามกระแสน้าอันเชี่ยวกรากมาให้ใครก็พากันหัวเราะเยาะว่าท่านทั้งสองเป็นคนโง่ไม่รู้จักช่วยโอกาสหาความร่ำรวยใส่ตนแต่การหาเป็นเช น, นั้นใหม่เมื่อท่านปู่ได้ลูกชายคือท่านวิดาของพระอาจารย์นี้ความเป็นอยู่ของท่านกลับไม่ลำบากดังแต่ก่อนครอบครัวมีความสุขสบายขึ้นท่านทวสิ้นบุญไปแล้ว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 ในเกียรติคุณของคนแจวหรือจ้างที่เป็นท่านทวดและท่านปู่ของพระอาจารย์เมื่อพระอาจารย์ถือกําเนิดมาพออายุได้ยีสิปีก็สอบไล่ได้ตามขั้นตอนทั้งหมดได้รับราชการเป็นขุนนางจนได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรแก่ห้องเตะเมื่อห้องเตะทรงทราบถึงคุณงามความดีของท่านทวดและท่านปู่ของพระอาจารย์ก็ได้โปรยกล้าพระราชทานยศขุนนางให้กับท่านทวด ท่านปู่และท่านพ่อของพระอาจารย์อีกด้วยเพื่อเป็นการแสดงให้ปรากฏว่าการทำความดีงามนั้นย่อมจะรับสิ่งที่ดีงามสมควรเป็นแบบอย่างแกบุคคลทั่วไปแม้ลูกหลานของพระอาจารย์ก็ได้รับราชการเป็นใหญ่เป็นโตตราบจนทุกวันนี้มากมาย มีเสมียนอำเภอท่านหนึ่งแม้จะมีตำแหน่งเล็กๆแต่จิตใจนั้นเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเป็นคนรักษาระเบียบ ว, วินัยของราชการอย่างเคร่งครัดมีความยุติธรรมเป็นที่ตัง้งไม่ทำสิ่งไรที่ผิดศีลธรรมส่วนนายอำเภอหนั้นเป็นคนดุร้ายอยู่มาวันหนึ่งนายอำเภอสั่งเคี่ยนผู้ต้องหาที่ไม่ยอมรับสารภาพตีจนเนื้อแตกเลือดไหลนองพื้น ก็ยังไม่หายโกรธเสมียนอำเภอทนเห็นความทารุณไม่ไหวจึงคุกเข่าที่หน้านายอำเภอขอให้ปราณีนักโทษหยุดตีสเสียทีนาอำเภอตอบว่าปราณีน่ะได้แต่ผู้ต้องหาคนนี้ไม่รักษาก ฎ, กฎหมายไม่มีศีลธรรมจะไม่ให้โกรธกระรายได้เสมียนอำเภอจึงโคกศีรษะลงกับพื้นพลางพูดว่า ผู้ที่เป็นคุนนางถ้าไม่ชำระความตามเหตุผลข้อเท็จจริงเอาแต่อารมณ์ตนเป็นใหญ่รัษดรย่อมไม่มีตัวอย่างอันดีงามให้ประพฤติปฏิบัติตามจิตใจของรัษดรหาที่ยึดเหนี่ยวเป็นสรณะไม่ได้การชำระความนั้นแม้จะสอบสวนได้ความจริงออกมาแล้วก็ไม่ควรดีใจจะทำให้เกิดความประมาทเลเล่ไม่ได้ความจริงที่อยู่ลึกกว่าความจริงธรรมดา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 ถ้าแสดงความโกรธมากมายเช่นนี้ผู้ต้องหาเกรงอาญาก็จะรีบยอมรับเสียก่อนท า, ทางทั้งที่ตนไม่ได้ทำผิดดังที่ถูกกล่าวหาจะมีเป็นการปรับตำราษดรไปหรือดีใจยังเป็นการไม่บังควรจะโกรธได้ที่ไหนแหนมเพอสมนึกในคำพูดของสมียนอำเภอแต่นั้นมาก็ไม่กล้าแสดงความโกรธความดีใจ ขณะที่ชำระความอีกเลยสมเด็จอำเภอท่านนี้มีฐานะยากจนมากเพราะมีแต่เงินเดือนขั้นต่ำไม่เคยขูดรีรศดอนไม่ยอมรับของกำนันจากใครมีแต่ช่วยเหลือผู้ต้องหาและนักโทษวันหนึ่งมีผู้ต้องหาหลายคนที่ไม่มีข้าวจะกินบดอยากมาตลอดทางจากหูเมืองไกลหน้าตาซีดเซียวหมดเรี่ยวหมดแรงหน้าหาสีเลือดไม่ได้แล้ว เป็นที่น่าสงสารยิ่งนักบังเอิญที่บ้านของเสมยียนอำเภอท่านนี้ข้าวสารก็กำลังจะหมดเหลืออยู่มือสุดท้ายเท่านั้นถ้านำมาให้ผู้ต้องหาเหล่านี้แล้วท่านและพัญญาก็จะต้องอดข้าวมือนั้นด้วยท่านจึงปรึกษากับพัญญาเพื่อให้พัญญาเป็นผู้ตัดสินใจตกลงทั้งสองคนยอมเสียสละข้าวมือนั้นนามาต้มข้าวต้มเลี้ยงผู้ต้องหาทั้งหมด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 ข้องเต้จึงโปรยกล่าวให้ในทหารคุมทัพออกปราบรามในทหารทันนี้หาทางจับเป็นขุนโจรได้โดยไม่สูญเสียชีวิตพรไพรพลและราษฎรเลยต่อมาทางด้านตะวันออกของเมืองหกเกี้ยนยังมีสมุนขุนโจรหลงเหลืออยู่มากมายในทหารท่านนี้จึงบัญชาให้ขุนนางในกรมมหาไทยของเมืองนั้นสาเจียไปออกกวาดล้างแทนท่านถ้าจับได้ให้ฆ่าให้หมด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 ประดอและนักศึกษารอดตายประมาณหนึ่งมืคนท่านเจียมีคุณธรรมล้ำเลิศต่อมาบุตรชายสอบได้ที่หนึ่งได้เป็นจองหัวนรับราชการจนได้เป็นใจเสี่ยงซึ่งเป็นตาแหน่งสูงสุดในราชการฝ่ายบุญคือฝ่ายบริหารประเทศแต่หลานชายของท่านเจียต่อมาก็สอบได้เป็นที่สาได้รับราชการเช่นกันที่เมืองหกเกีย้ย มีตระกูลหนึ่งแทหลินบรรพสตรีท่านหนึ่งเป็นผู้ใจบุญมากชอบทำขนมเลี้ยงคนจนใครมาขอขนมก็รีบกุลีกุจอตักให้ไม่เคยแสดงสีหน้ารังเกียจเดียดฉันต่อมามีเทวดาแปลงร่างเป็นเต้าหินมาขอขนมคุณยายท่านนี้ทุกเช้าและขอมากๆสิด้วยท่านก็ไม่เคยบ่นว่าตักให้มากๆทุกวันเป็นเวลา สามปีตลอดระยะเวลาสามปีนี้ไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวไม่เคยให้น้อยไม่เคยเบื่อนายต่อการให้สามปีประดุลหนึ่งวันเตยินแอบชมเชย น, นางอยู่ในใจว่าจะหาใครให้ทานได้สม่ำเสมอโดยไม่อิดนาระอาใจเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วท่านจึงพูดกับนางว่า อาตมาชันขนมของท่านมาสามปีแล้วจึงใครจะขอตอบแทนพระคุณท่านเสียทีที่หลังบ้านของท่านมีที่ว่างอยู่ถ้าท่านทำหงซุยในบริเวณนี้ได้ต่อไปลูกหลานเลนหลนของท่านจะได้เป็นคุณนางถ้าจะเปรียบก็พูดได้ว่าจะเป็นขุณนางมากมายเท่ากับเมล็ดงานหนึ่งถังใหญ่ทีเดียวแตลองคิดดูก็แล้วกัน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 คริตสการาต960ถึง 1,127 เป็นคุณนางในตําแหน่งใจเสี่ยงถึงสองราชการคือพระเจ้าอิงจงห่องเต้กริตสกราช 1,064 ถึง 1,067 และพระเจ้าเรินจงห่องเต้กริตสกราช 1,068 ถึง 1,085 เป็นที่รักของคนทั่วไปและเป็นที่เกรงขามของชาวต่างประเทศยิ่งนัก เกียรติคุณของท่านแผ่ไพศาลเมื่อถึงแก่อนิจกรรมแล้วพระเจ้าเสริญจงห้องเตได้โปรดกล้าวสถาปนาเป็นที่จงเสียนกงเป็นเกียรติยศอันสูงสุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อความจงรักภักดีและรักชาติยิ่งมีคุณนางท่านหนึ่งแสอิ่งเมื่อตอนที่ท่านอยู่ในวัยกลางคนได้เป็นสิวจ่ายแล้ว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 พ่อผัวแม่ผัวก็เลยบังคับให้ผู้หญิงคนนี้แต่งงานเสียใหม่ผู้หญิงไม่ยอมจะมาแขวนคอตายแถวนี้ในคืนพรุ่งนี้ปีศาจตนหนึ่งซึ่งก็ผู้คอตายมาเหมือนกันจะมีคนมาแทนก็จักได้ไปเกิดใหม่เสียทีท่านแซอิงได้ยินเข้าก็บังเกิดความสงสารผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจับใจจึงนำที่นาของตนไปขายอย่างเงียบเงียบได้เงินมาสี่ตำลึงจึงเขียนจดหมายขึ้นฉบับหนึ่ง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 ไม่บังคับให้ลูกสะพ้ยไปแต่งงานใหม่ต่อมาบุตรชายของตนกลับมาสามีพัญญาก็ได้อยู่กินเป็นปกติสุขตลอดมาต่อมาอีกคืนหนึ่งท่านแซอิงก็ได้ยินปีศาจพูดกันว่าฉันน่าจะมีคนมาตายแทนแล้วจึนะแต่ซิวจ๋ายเนี่ยทาเสียเรื่องหมดปีศาจอีกตนหนึ่งก็พูดขึ้นว่างั้นเราก็ช่วยกันฆ่าเถอะ พีซาตนแรกบอกว่าไม่ได้รอกเพราะว่าเทพเจ้าเบื้องบนเห็นเขาเป็นคนใจดีจึงได้แต่งตั้งให้เขาเป็นขุนนางในโยมโลกจึงทําร้ายเขาไม่ได้เสียแล้วท่านแสเอ็งได้ฟังเช่นนั้นก็ยิ่งมีกําลังใจที่จะทําดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นยามเกิดทุพพลภัยก็นําข้าวไปแจกจ่ายแก่ผู้อดอยากยามเมื่อญาติมิตรเดือดร้อนก็ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ยามประสบภัยพิบัติก็ไม่เคยโทษฟ้าโทษ ด, ดินกลับโทษตนเองว่าได้ก่ออกุศลกรรมมาจึงยอมรับสถานการณ์อันเลวร้ายได้อย่างสงบเมื่อได้เป็นคุ้ น, นางแล้วลูกหลานก็ยังได้เป็นคุนนางอีกมากมาย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 แม้จะพูดสักพันครั้งหรือว่าสักหมื่นครั้งข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นความจริงที่ซิวจ่ายในตระกูลซื้อนี่จะได้เป็นกือยินแล้วปีศาจร้องอยู่ทุกคืนติดต่อกันนานจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมีการสอบไล่ซิวจ่ายท่านนี้ก็ไปสอบกับเขาด้วยปรากฏว่าสอบได้เป็นที่คือยินจริงตามที่ปีศาจมาร้องบิดาของท่านเห็นว่าการทําดีเพียงเท่านี้ ยังได้ผลดีถึงเพียงนี้ท่านก็ยิ่งมุมาณนะทำดียิ่งยิ่งขึ้นสพานชมรุดท่านก็ให้คนไปซ่อมเสียให้ดีถนนท้นทางครุกระสัญจรไม่สะดวกท่านก็ให้คนไปซ่อมให้เรียบร้อยพิกษุที่ไม่มีโยมอุปทาท่านก็ทำสำรับกับข้าวไปถวายทุกวันใครขาดแคลนข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าและอื่นๆท่านก็จุนเจืออยู่เสมอไม่ให้อดอยากยากไรไม่ว่าใครจะมีเรื่องทุกข์ร้อนอย่างไร ท่านช่วยได้เป็นช่วยทันทีต่อมาปิศาจก็มาร้องอีกทุกคืนว่าแม้จะพูดสักพันครั้งหรือสักหมื่นครั้งข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นความจริงที่คือยินในตระกูลซือนี้จะได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่มีตําแหน่งสูงสุดในปูทอนต่อมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆมีขุนนางอีกท่านหนึ่งแซ่ถูรับราชการอยู่ในเรือนจําที่เมืองเกียฮง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 ก็ส่งตัวนักโทษมายังคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่จะสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ความอย่างไรแล้วก็นำทุนกล้าวถวายห้องเตะให้ทรงวินิจฉัยอีกทีหนึ่งโดยแยกเสนอนักโทษออกเป็นสประเภทคือประเภทที่กระทำความผิดจริงประเภทที่สองเป็นนักโทษที่รอการลงอาญาได้ประเภทที่สาเป็นนักโทษที่ควรให้อภัยโทษทั้งหมดนี้ก็สุดแล้วแต่ห้องเตะจะทรงวินิจฉัยอย่างไร ถ้ารับสั่งให้ประหารก็ประหารทันทีส่วนพวกที่รอาการลงอาญาถ้าโชคดีก็อาจจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันสาคัญของฮ่องเต้ท่านแท่ถูนี่เมื่อท่านสอบสวนได้ความจริงจากนักโทษแล้วท่านก็ทำบันทึกส่งผู้บังคับบัญชาธรรมเนียมในสมัยนั้นถ้าผู้ใดาสา ม, มารถสืบได้ความจริงว่านักโทษไม่ผิดแต่ถูกปรับปรา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 ท่านแทดถูยังเสนอต่อผู้บังคับบัญชาว่าในเมืองหลวงแท้ๆยังมีผู้ถูกปรักปรา ม, มากมายเช่นนี้แถาผู้เมืองที่กลายปืนเที่ยงออกไปจะได้รับความอายุติธรรมขนาดไหนควรที่จะแต่งตั้งคนดีมีความยุติธรรมเป็นผู้ตรวจการต่างพระเนตรประกันทุกๆห้าปีควรมีผู้ตรวจการไปรื้อฟื้นคดีมาพิจารณากันใหม่ถ้าเป็นการกระทาผิดจริง ก็ยังจะต้องพิจารณาว่าได้พิพากษาลงโทษสมควรแก่โทษหรือเปล่าถ้าหนักไปก็ควรผ่อนให้เบาถ้าเบาไปก็ต้องเพิ่มโทษให้นักขึ้นไปอีกเพื่อทรงความยุติธรรมไว้ผู้ใดมิได้กระทําผิดก็สมควรปล่อยตัวไปเสียห้องเตทรงเห็นชอบด้วยจึงทรงแต่งตั้งขุนนางแยกย้ายกันไปตามผู้เมืองน้อยใหญ่ท่านแททูก็ได้รับแต่งตั้งด้วย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 คนใช้ได้ห้ามขึ้นบ่าเสือ้อผ้าเราเนี้ยล้นเพิ่งทำ ม, มาใหม่ๆแล้วท่านจะใช้อะไรมาแทนเราท่านบอกว่าช่างเถิดขอให้เทพเจ้าควนอิมไม่ต้องตากแดดตากฝนก็พอใจแล้วเราไม่มีเสื้อใส่จะเป็นไรไปท่านจเจ้าอาวาสได้ฟังแล้วประทับใจามากร้องไห้พลางพูดว่าของที่ให้มานั่นหาไมา่อยากดอกแต่น้ำใจเช่นนี้สิ